9. อริยสัตว์ในความปฏิสูตวงเล็บเปิดเจ็ดมกราคมสอง0ันห้าห้าสิบในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีสิบแปดวงเล็บปิดพวกเราเวลาศึกษาธรรมะเราจะเห็นเป็นด้านๆไปกระทั่งอริยสัตว์นะเห็นไม่เท่าพระพุทธเจ้าหรอกอย่างพระอรหรันต์ทั่วๆไปพระอรหันตสาวกจะเห็นเลยว่าถ้ารู้ทุกเมื่อใดก็เป็นอันลัสมุทยัยแจ้งนิโรธจเจริญมรรค รู้ได้แค่นี้นะรู้อย่างนี้พระป๋องเมื่อก่อนได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่อยๆ เ, เรื่องรู้ทุกละสมุทยัยแจ้งนิโรธเจริญมักนะเอ๊หลวงพ่อพูดเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีตำราหนุนหลังนะวันหลังท่านไปนคนเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไปเจอเรื่องนี้เข้าในขวามปฏิสูตรเป็นเรื่องของพระอรหันต์หลายองค์อยู่ด้วยกันท่านไปบินบาดกลับมาฉันข้าวแล้วสนทนาธรรมกันสังเกตไหมไม่ใช่ฉันแล้วนอนนะ วันนั้นท่านฉันแล้วนั่งสนทนาธรรมกันไม่ได้รีบไปปฏิบัติเพราะท่านปฏิบัติเสร็จแล้วท่านก็ลงมติกันว่าในเครื่องหมายคําพูดถ้ารู้ทุกข์ก็เป็นอันละสมุทยัยแจ้งนิโรธเจริญมักปิดเครื่องหมายคําพูดสมมติเห็นเหมือนกันหมดเลยทีนี้มีอยู่องค์หนึ่งชื่อพระควัมปติเป็นเพื่อนพยัสสะเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้า พระควัมปติบอกว่าท่านเคยได้ยินพระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนี้ได้ยินด้วยตนเองบอกได้ฟังธรรมจากพระโอษฐว่าในเครื่องหมายคำพูดถ้ารู้ทุกข์ก็เป็นอันละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคปิดเครื่องหมายคำพูดตรงกับที่พระอรหันต์ทั่วไปเห็นแต่พระพุทธเจ้าสอนอีกนะเครื่องหมายคำพูดเปิดถ้าละสมุทัยก็เป็นอันรู้ทุกข์แจ้งนิโรธเจริญมรรคปิดเครื่องหมายคาพูด เครื่องหมายคำพูดเปิด ถ, Susan, ถ้ mile, แด า, า, า, าถ began, ถ uth, แ, แจ้งนิโรธก็เป็นอันรู้ทุกละสมุทัยเจริญมรรคปิดเครื่องหมายคำพูดเครื่องหมายคำพูดเปิดถ้าเจริญมรรคก็เป็นอันรู้ทุกละสมุทัยแจ้งนิโรธปิดเครื่องหมายคำพูดนี่ปัญญาของสาวกนะตามไปไม่ไหวมันลึกซึ้งเกินแค่รู้ทุกก็เป็นอันละสมุทยัยแจ้งนิโรธเราก็ไปไม่ไหวแล้ว รู้ทุกแล้วไปละสมุทัยได้อย่างไรเราไม่เข้าใจเรารู้แต่ว่าถ้าละสมุทัยแล้วจะพ้นทุกถ้าละสมุทัยหรือละตัณหาแล้วจิตจะพ้นทุกเราเห็นอยู่แค่นี้ทีนี้ธรรมะแท้ๆไม่ได้มีแค่นี้ท่านถึงเริ่มต้นด้วยทุกขให้รู้ทุกแล้วเป็นอันละสมุทัยได้ความเข้าใจเราแค่ว่าละสมุทัยก็พ้นทุกดับทุกอะไรอย่างนี้ ถ้าธรรมะมันเป็นแค่นั้นนะท่านจะเริ่มต้นตั้งแต่สมุทยท่านจะไม่เริ่มด้วยทุกขหรอกอันนี้ท่านฝันเปรี้ยงลงมาเลยด้วยการรู้ทุกข์รู้ทุกข์นั่นแหละคือการเจริญมรรคถ้าเมื่อใดเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะกายนี้ใจนี้เป็นแค่รูปธรรมนามธรรมา ท, ที่ยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่เราหรอกตัณหาจะหมดทันทีตัณหาจะไม่เกิดขึ้นมา ตัณหามันเป็นความอยากจะให้กายนี้ใจนี้มีความสุขอยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์ก็เมื่อกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราแล้วจะไปอยากให้มันมีความสุขอยากให้มันพ้นทุกข์ทำไมฉะนั้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อใดรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งเมื่อใดตัณหาคือความอยากให้กายให้ใจมีความสุขให้พ้นทุกข์จะหมดไปเองเลยถึงบอกว่ารู้ทุกข์ก็เป็นอันละสมุทัยทันทีที่ตัณหาดับสนิทลงไปนิโรธก็แจ้งขึ้นฉับพลันนั้นเลย เห็นนิพพานทันทีเลยนิพพานคือสันติสุขคือความดับของตัณหานั่นเองฉะนั้นการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจนี่เรียกว่าเจริญมรรคจนกระทั่งปัญญามันแจ้งในฉับพลันนะในขณะจิตเดียวที่แจ้งขึ้นมาว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะแล้วในฉับพลันสมุทัยก็ถูกละทันทีนิโรธก็แจ้งทันทีเลยในขณะจิตเดียว